จับใดที่ยังมีอาหางกายอยู่อัตสมิมาณนะความถือดีความย่าโสหารเนี่ยความสุขแท้จริงเนี่ยยังไม่เกิดนะนั้นความสุขที่แท้จริงเกิดจากสภาพไร้ายตัว ต, วตวนครับเราเจริญสติเจริญภาวนาเช่นนี้นะครับเพื่อถอนลิมสลักอนนันหนึ่งที่ปักนั่นนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตสมิ มาณนี้เหมือนหัวลูกศรจึงเสียบติดอยู่แล้วถอดยากเราปฏิบัติไปนี่มันจะค่อยๆเพิกถอนความยึดถือความโอหังความสำคัญตนผิดๆไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามตามที่เป็นจริงมันจะไม่สำคัญผิดอีกแล้วเห็นขันห้าตามธรรมชาติเนี่ยมันก็หมดสิ้นความสาคัญผิดๆ ดังนั้นมันจะมีสาระสาคัญในตัวมันเองคือหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาอยู่คิดนึกรู้สึกเห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่นี่คือสาระสาคัญโดยไม่ต้องมีตัวตนของมาเป็นเจ้าของว่าข้าสาคัญฉันสาคัญกว่าเธอดังนั้นเมื่อเราปฏิบัตบิเราเดินจงกรมนี้เราจะเป็นคนไม่มีเรื่องครับ เจ้าเรือนซึ่งเคยเจ้าของเรือนซึ่งเคยเป็นคนจุนเจ้า น, น, นี้มันหายหัวไปมันก็เหลือแต่แข่งขาเดินไปจิตคิดนึกไปมันมีแต่รูปแต่นามสัมพันธ์กันอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่สิ้นสุดความงมงายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยถ้าทาได้่างนี้จริงนะครับโดยเฉพาะว่าความสุขเหลือเฟือจริงๆคล้ายๆไปที่ไหนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับใคร คนเขาอิจฉากันอยู่เราไม่อิจฉาใครคนเขาหาเรื่องคนอื่นอยู่เราไม่หาเรื่องใครมันก็สุขอยู่ตลอดสุขตลอดกาลจริงไหมครับคนเขาริษยากันอยู่ตาร้อนจิตใจลุกเป็นไฟเราไม่เกี่ยวไม่คล้องคนเขาแย่งชิงที่ดินไล่นากันฟ้องลงฟ้องศาลเราไม่รู้จะฟ้องใครเราไม่มีเรื่องอะไรกับใครนั้นความสุขจึงเหลือเฟือ หาของมนุษย์เรานะครับนับตั้งแต่อดีตการนานไกลจนปัจจุบันนี้และในสังคมในอนาคตเป็นปนัญหาข้อเดียวกันทั้งสิ้นเลยครับคือมนุษย์มีความสำคัญตนผิดไปจากธรรมชาติซึ่งเรามากักเรียกวอุปาทานนะครับสำคัญตนผิดผิดไปพลาดไปเรื่อยพลาดไปเรื่อยแล้วไม่รู้สึกตัวว่าพลาด เหมือนใดที่เราเห็นความสลักสำคัญของธรรมชาติในตนธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมันมีความสำคัญในตัวมันเหมือนที่ผมพูดว่าน้ำเนี่ยมันเป็ น, ป น, ปนสิ่งที่ ด, าด่าแต่มันก็สำคัญมากๆเลยนะฮะเสือก็กินน้ำห้องเต้ก็กินน้ำขาดน้ำไม่ได้ครับจิ้งหรีดก็กินน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมดามากๆแต่ว่ามันสาคัญมากๆเลยครับคุณเบโรฮิวาไทาย ท้องร่วงคืนเดียวน้ำออกจากร่างหมดตายทันทีเลยตั้งทั้งอินน้ำไม่กี่ตังค์นะครับในร่างกายนี้ผมว่าไม่ถึงปิ๊บขายสักสองบาทไม่มีใครซื้อแต่ว่ามันถ่ายออกมาหมดขึ้นคุณจะตายทันทีหรือไฟธาตุไฟธาตุแตกก็เกิดการไม่ย่อยอาหารขึ้นแล้วคุณก็ตายลมสว่านพัดขึ้นเบื้องบนทีเดียวคุณก็ตายแล้ว ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับที่มีความสำคัญในตัวมันแต่มันไม่ได้สำคัญว่าตัวมันเลิอดกว่าสิ่งไหนครับมีนิทานเรื่องหนึ่งเราว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนิ้วห้านิ้วของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดทะเลาะกันขึ้นอนิ้วโป้งบอกว่าข้าตัวโตกว่าเพื่อนเอนิ้วชีว้บอกว่าข้าเป็นนายเขาเพราะว่า เจ้านายทุกคนจะชี้นิ้วชี้ไปที่ธาตุนิ้วกลางบอกว่าค่าสูงกว่าใครหมดนิ้นางบอกว่าค่าสวยกว่าใครหมดเพราะเวลาเขาใส่แหวนก็ใส่ที่นิ้วของข้านิ้วค้อยบอกไม่ใช่อย่างนั้นค่าตัวเล็กก็จริงแต่เขาถนอมข้ามากแหวนแลกแพงจะอยู่ในนิ้วของข้าเทียงไปเทียงมาฝ่ามือว่าฝ่ามือก็บอกว่าเจ้าทั้งหมดอยู่ในกำมือของข้า ที่จริงทุกๆนิ้วมันไม่ได้สําคัญอะไรกว่าใครมันมีหน้าที่ต่างกันครับเวลาจับต้องมันก็ร่วมมือกันทําเมื่อเรายกมือนี่นิ้วไหนสําคัญที่สุดเราไม่เห็นรู้สึกมันจะสําคัญอะไร ม, มาทั้งชุดครับ <c oughs> ทั้งชายหนีเ อ, อื้อมมือมาข้างหน้าทุกคนครับ จับลงไปที่พื้นทิ้งต่างว่าจับก้อนกรวดขึ้นมาคนละก้อนจับมาแล้วใช่ไหมแล้วข้างหน้าเรานี่เป็นลำธารตึ่งก้อนกรวดลำธารแห้งไม่มีน้าําแต่กรวดเป็นเมื่อนแล้วคนคว้างลงไปสิเราหากลับมาก็ลําบากแต่มันก็อยู่ที่นั่นแหละหมายความว่าตัวเรานี่มีครับไม่ใช่ไม่มี แต่ว่าเมื่อเราสละมันไปมันก็อยู่นั่นแหละแต่ไม่จาเป็นต้องไปรู้มันด้วยซ้าไปเข้าใจไหมครับความสำคัญของเราไม่ได้อยู่ตรงที่เรากุมไว้ในมือความสำคัญของหยดน้ำหยดหนึ่งไม่ได้อยู่ที่เราประคองไว้ในมือคืนประคองไว้มันระเหยหมดแต่มันจะมีบทบาทสูงมากเมื่อเราไปฝากไว้ในมหาสมุทรครับเข้าใจไหมครับน้าค้างทุกหยดนี้ ไม่มีค่าอะไรครับมผมไม่เคยเจอแม่ค้าขายนมค้างใลาเชิญจะได้ซื้อฝากเด็กก็ไม่มีใครขายแต่ว่า ม, มันเป็นสิ่งที่แปลกมากทุกเช้านี้เต็มไปหมดโดยเฉพาะที่วัดนี้ผมตื่นมาเห็นนมค้างเต็มไปหมดเลยบนใบไัยมันไปมันมาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่องรอยจับยึดก็ไม่ได้ จะไปไว้ในตู้เย็นมันกลายเป็นอื่นไม่เป็นน้าค้างแล้กลายเป็นน้ำแข็งดังนี้เองเลยครับเราต้องเรียนรู้สภาวะซึ่งดาาคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไร้ค่าครับแต่มันมีค่าของมันเองนะเมดดื่อใดที่เราขวียคว้าเอาสิ่งที่โลกสมมุติให้เราก็จะเจ็บปวด ถ้าใครสักคนหนึ่งจะโกนหนวดนะครับเขาโกนหน้าทันทีถ้ามีมีดแต่ถ้ามีกระจกจะช่วยโกนง่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าใครสําคัญผิดส่องหน้าในกระจกเห็นหนวดก็คิดจะโกนมันในกระจกแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไหมคือจะโกนใบหน้าที่ในกระจกนะซึ่งมันหลอกเทั้นั้นมันเป็นภาพสะท้อนเราใช้กระจกสองเพียงเพื่อกลับมาโกนที่หน้าเรา ปกกลที่หน้าเราแล้วไอ้ข้างในกเกลี้ยงเองครับเข้าใจหมถ้าเข้าสฟดแล้วยุ่งกันใหญ่นะผมว่าก่ามานีที่บ้านที่ผมพักรจริงผมไม่มีบ้านเนะขาให้อยู่มีนกตัวหนึ่งมาเกาะที่หน้าต่างกระจกครับกระจกบานตั น, นปิดตายเนี่ยนะข้างในมันมืดดังนั้นมันคิดว่าเป็นนกตัวเมียมันเลยจิกจิกจะเข้ามาให้ได้ จิกบินวนหนึ่งนั้นนะครับกลับไปพุ่มไม้เดี่ยวมาที่นั่นสามวันเต็มๆเลยผมเฝ้าดูอยู่จนผมสิกสงสารเลยเอาเศษขนมปังไว้โรยให้มันกินมันก็กินนิดเดียวเดี๋ยวก็จิกจิกประมาณสามวันเต็มๆคือมันเข้าใจว่ามีอยู่อีกตัวหนึ่งข้างในซึ่งเป็นลูกของมันเองนะจ๊ะนี่ครับแต่วันที่สี่ไม่รู้นหายไปไหนหรือตายหรืออะไรผมไม่ทราบผมมันึกสลดข้าไปเลยจา้าอืม ทำไมเนาะมันไม่เข้าใจที่จริงเป็นเงาของมันเท่านั้นนะเพียงแต่มันเข้าใจนิดเดียวเท่านั้นเองมันก็เลิกเลิกวุ่นวายสับสนเข้าใจไหมครับภาพสะท้อนในสมองของเรานะครับภาพสะท้อนมนโนภาพเกี่ยวกับตัวเองนั้นมันไม่ใช่เราครับมันออกจากเราแต่มันไม่ใช่เราเข้าใจไหมครับเหมือนอุจจาระที่เราถ่ายเนี่ยมันก็ออกจากเราแต่มันไม่ใช่เราเก็บไว้ไม่ได้ครับ คืนเก็บไว้ในท้องแล้ยุ่งกันใหญ่เลยดังนั้นเราจะไปยุ่งกับมันครับเราอยู่นี่ครับรูปนามตามที่เป็นจริงพอเรากลับมารูร้รูปรูป้นามเห็นรูปเห็นนามตามที่เป็นอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติมันก็หมดความสําคัญผิดต่อไอ้สิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงภาพสะท้อนเข้าใจไหมครับแล้วก็เห็นความสลักสําคัญตามธรรมชาติในตัวรูปตัวนามนี่เอง เช่นมันดีนะครับมีรูปมีนามเนี่ยเช่นยืดแข้งยืดขาได้มันดีอย่างนี้นั่งได้นอนได้มันสำคัญอย่างนี้เดินได้กินได้ถ่ายได้มันสำคัญอยู่ในตัวมันอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันเป็นห้องเต้ฉันจะต้องนั่งถ่ายท่านี้จึงจะสำคัญสมตำแหน่งห้องเต้ฉันต้องยืนถ่ายฉันต้องทาอย่างนี้ไอ้นี่มันสคัญผิดไปดังนั้นพมสพุทว่า พุทธรรมประสงค์นะครับมีความสลักสําคัญมากหากว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าฉันเก่งกว่าพวกแกแกพวกทาตพระพุทธเจ้าก็จะหมดความสําคัญไปทันทีเพราะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่โง่นี่สมมุติเท่านั้นนะครับพระสงค์เหมือนกันนะครับพระสงค์มีความสําคัญมากเป็นถึงดวงแก้วดวงประทีปของสังคมนะครับ แต่เมื่ใดพระสงค์สําคัญตนผิดคิดว่าตัวเองเป็นสมเด็จเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรต้องวิเศษแก่ชาวบ้านเมื่อ น, นั้นประสงค์จะหมดสิ้นความสําคัญไปทันทีเข้าใจไหมครับคือจะไม่อยู่ในความทรงจําของคนรุ่นหลังโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือพระสงค์มักคิดว่าเด็กรุ่นหลังนี่โง่ไม่สนใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมผมไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเลยผมคิดว่าคนทุกรุ่น ก็มีทั้งมีผู้มีปัญญาและผู้มีความโง่เป็นธรรมดาใช่ไหมครับทุกรุ่นเลยแต่เนื่องจากคนรุ่นหลังเขารับไม่ได้ครับต่อสถาบรนสงฆ์เขาเลยไม่เล่นด้วยเท่านั้นเองดังนั้นความหวังอยู่ที่พระสงฆ์รุ่นใหม่ที่เห็นความสลักสำคัญของตัวเองตามธรรมชาติไม่ใช่สำคัญตอวเองว่าตัวเองสำคัญเข้าใจไหครับ มันเป็นฉะนั้นพระสงค์รุ่นใหม่ก็จะคว้าคนรุ่นใหม่เอาไว้ให้พ้นจากหายนะได้เข้าใจไหมครับคนรุ่นใหม่เหมือนคนที่เดินแล้วมีหัวหน้าเป็นคนตาบอดจะลงเหวนะครับนี่ถ้าพระสงฆ์บอดซะด้วยยุ่งกันใหญ่เลยไอ้คนนำทางก็บอดไอ้คนตามก็เลยยุ่งกันใหญ่โตสรุปนะครับว่าเราต้องน้อมหัวใจของเราน้อมพระธรรมเข้ามาหาเราโดยดี จะดื้อรั้นกับพระธรรมนะครับคุณอาจจะดื้อพ่อแม่ได้บ้างตำรวจมาจับคุณไม่มีเหตุผลคุณอาจจะต่อสู้ได้บ้างแต่อย่าต่อสู้กับสัตว์ธรรมคุณจะพินาศเองคือไอ้ตัวความจริงนี่นเราสู้ไม่ได้ครับเราต้องยอมเท่านั้นเองดังนั้นเราเดินจงกรมนะครับอย่าพยายามต้านมันอย่าพยายามต้านต่อกิริยาที่เดินเป็นไปเองนะครับตาที่กระพริบเอง หรือจิตที่คิดเองอย่าไปต้านเขาแต่จงรู้จงเห็นจงถ่อมเขาไปในตัวเองแล้วทั้งหมดจะนิ่มนวลกลมกลืนขึ้นเทเลน้อยเทเลน้อยเจตนาในการกระทำกรรมกระทำโน้นทำนี้สิ้นสุดทุกเมื่อใดความเป็นเองก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อเห็นความเป็นเองก็จะรู้เองครับว่าความสำคัญของทุกๆคนนีอยู่ในตัวของเขาเองไม่ใช่คนอื่นแต่งตั้งหรือลดความสาคัญลงได้ จากเวลาสิบจนสิบโมงนี้นะจนถึงสิเอ็ครึ่งนะรเราก็จะเดินจงกรอมกันผมจะเดินวนในนี้สักรอบหรือสองรอบนะครับต่อจากนั้นเราก็เดินไปทั่วบริเวณนี้ตามตามผมจะเดินนำเมื่อทุกคนผ่านทางผ้าสันธัตที่รองนั่งนะฮะแผ่นพลาสติกนะนะั้นด้วยกิริยาที่สงบงเงียบ หยิบไปคนละผืนโดยไม่ต้องพูดกันผู้ใดที่สวมรองเท้าก็ใส่รองเท้าโดยไม่ต้องพูดกันโดยไม่ต้องถามว่ารองเท้าน่านอยู่ไหนเดินตามไปเงียบผู้ที่ไม่สวมรองเท้าอยู่แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องวุ่นวายเข้าใจไหมครับเดินตามผมไปผมเดินเร็วคนเดินตามหลังต้องเร็วตามผมก็แห้งเดินช้าๆทุกคนก็นต้องสาวเพื่อเรียนรู้อัตราที่ของการเต้นหนึ่งหัวใจ ความรู้สึกที่ที่ฟื้นฟูขึ้นอาการชนิดเราเรียกว่าบ่มบ่มความรู้สึกตัวครับซึ่งแตกต่างจากความรู้ที่เราเรียนโดยความจำในโรงเรียนเข้าใจมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับความจำเลยคุณไม่ต้องจำอะไรไาเลยก็ได้ครับมันจะปรากฏอันนี้เรียกว่าสภาวะรู้ไอ้ที่เราเรียนในโรงเรียนเรียกว่าความรู้นานเข้ามันลืมครับความรู้เนี้ย ไอ้ น, นี่ยิ่งยิ่งนานเข้ายิ่งไม่ลืมเป็นความตื่นเป็นเหมือนแสงสว่างครับไอ้ไอ้ที่เราเรียนหนังสือหนังหานั้นเป็นเพียงความรู้ครับไม่ท่องก็ไม่จำนานเข้าก็ลืมหรือตกใจอะไรขึ้นก็หายหมดเลยความรู้แต่ตัวนี้ยิ่งตกใจยิ่งตื่นใหญ่เลยเข้าใจะหมฮะยิ่งเข้มขึ้นทุกทีทุกทีนั้นแยกให้ออกเห็นความสาคัญของมันครับ ตัวเรามีความสำคัญมากครับหัวใจของเราสำคัญที่สุดแต่อย่าสำคัญผิดไปคิดว่าตัวเองแน่หรือเก่งกว่าใครนะมันสำคัญในตัวดังนั้นไม่ต้องเปรียบกับใครทั้งนั้นเอาละครับลุกขึ้นยืน นี่นะครับเปรียบเสมือนการเชื่อมต่อประสบการณ์ต่อประสบการณ์พอเราเริ่มปฏิบัติก็มาความเราเชื่อมเข้าไปกับไอ้ประสบการณ์ที่ครั้งที่แล้วเปรียบเสมือนเชื้อไฟนะครับเชื้อความร้อนยังมีอยู่เราก็เติมทันทีถ้าเชื้อนั้นหมอ ด, ดับหมดแล้ว เรปฏิบัติอยู่แต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เชื่อมประสบการณ์เก่ามันเหลือแต่รูปแบบยกไปนี้มีแต่รูปแบบดังนั้นต้องจบเนื้อหาได้จริงๆครับก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองพอเริ่มใหม่ก็เชื่อมความรู้สึกตัวใหม่แล้วก็เรามันขึ้นมาใหม่เรามันขึ้นมาอ๋อคล้ายๆกันเรื่องทางโลกนะครับ นดูทีวีเป็นตอนๆทางยายหรือละครอะไรเนี่ยมันก็เชื่อมเรื่องแล้วก็มีรสมีชาติแต่ถ้าดูไม่เป็นตอนดูตอนนี้นิดตอนนี้หน่อยมันไม่มีรสชาติครับขึ <c oughs> ้นมานั่งบนคัท่นนนั่งข้างบน เราท่องสูตรเคมีหรือท่องข้อความหรือบทความอะไรสักอย่างหนึง่งท่อนต้นเราต้องทวนได้ครองปากครองใจแล้วก็ขึ้นบทเรียนใหม่แล้วก็เชื่อมติดกันเราก็ท่องต่อยืดไปได้พอจะเริ่มบทใหม่กลับไปทวนอันต้นถ้าจับตัวนี้ได้แล้วเนี่ยมันเราจะมีการ ก้าวไปข้างหน้าเรืยๆครับแต่วถ้าเราจับแกนเชื่อมต่อประสบการณ์อันนี้ไม่ได้เราปฏิบัติทั้งวันเลยแต่ว่ามันเป็นรูปแบบครับเป็นเป็นรูปรูปนอกของมันส่วนเนื้อหาไม่มีดังนั้นเราต้องเชื่อมที่เนื้อหาของตัวประสบการณ์การปฏิบัติที่ถูกต้องท่องแท้นั้น จะค่อยๆละรูปแบบแต่เชื่อมโยงประสบการณ์เนื้อหาประสบการณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งครั้งสุดท้ายไม่ได้สนใจใตัวเอยงยกมือหรือเปล่าพร้อมไปอยู่ความรู้สึกตัวมาถึงระดับนี้พับเนี่ยรูปแบบหมดความจำเป็นต้องใช้เข้าใจไหมครับคนเนื้อหามันต่อติด ก, กันนะครับเหมือนกเราเทคอนกรีตลงในเบ้าใหม่ๆนั้นเบ้าจาเป็นมากทีเดียวครับไม่มีเบ้ามันทคานไม่สาเร็จเลย ไม่รู้จะทำกับมันยังไงแต่พอเทเสร็จยิบสี่ชั่วโมงรุ่งเช้ามันมันจะร้อนขึ้นดองคืนพอรุ่งเช้าครบยิบสี่ชั่วโมงหรือสักวันสองวันยิ่งดีหรือแบบออกเพราะเดี๋ยวนี้เนื้อหามันเชื่อมกันหมดแล้วเข้าใจไหมครับก่อนหน้านั้นหินก็เป็นหินปูนก็ปูนทรายก็ทรายน้ำก็น้ำแต่พอมันแห้งสนิทเขาเรียกปูนเซ็ตตัวสนิทครับ รูปแบบก e ็หมดความจำเป็นที่จะต้องพึ่งเนื้อหาไม่ได้แสดงออกอย่างถึงกันะเข้าใจไหมครับดังนั้นเวลาเริ่มปฏิบัติก็เชื่อมต่อสบการณ์เชื่อมต่อทันทีเลยแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะรู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าถูกกำนาจสิ่งแวดล้อมกระทำให้เรารู้สึก ลืมลืมตัวไปแต่พอเริ่มเชื่อมโยงกับตัวเองนี่มันจะติดทันทีสมาธิจะก่อตัวขึ้นทันทีเดียวนั้นผมเด้พูดถึงเรื่องความสุขนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งความสุขเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศความสุข เราก็เลยพลอยเป็นสุขกับความสุขของคนส่วนรวมต่มาพมจะอธิบายถึงเรื่องความสุขของสิ้นมานะทิฏฐิความท่อมเป็นลากฐานของความสุขชนิดนั้นชั่วโมงต่อไปนี้ผมพูดเรื่องความสุขอีกแ ง, นงน่นึงครับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เรียกว่าไม่มีสุขใดสเสมอเหมือนสันติหรือสารติแต่โดยทั่วไปเราม่เข้าใจกันผิดผมนึงหยิบมาพูดเพื่อชี้แจงใ ห, ให้ให้กระจ่างโดยทั่วไปคิดว่าพอรู้สึกสงบแล้วก็เป็นสุขแล้วคิดว่าไม่มีอะไรเหนือนั่นเข้าใจไม่ถูกต้องครับ เพราะคนที่โง่มากๆเนี่ยก็เป็นก็สงบเหมือนกันครับคขาผมเคยใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลที่เราเรียกปัญญาอ่อนเนะี่ยเขาเป็นสุกมากเลยเขาสงบดวงตาแจ่มใสแต่ยี่สิบปีก็ยี่สิปีก็อยู่อย่างนั้นนะครับดังนั้นความสงบสุขเช่นนั้นเนี่ยมันสงบสุขภายใต้โมหะครับดังนั้นความสงบ ที่เป็นยอดสุขเนี่ยคงไม่ใช่ความสงบเช่นนั้นแน่ดังนั้นเราควรจะแบ่งความสงบเป็นสองชนิดคือสงบชนิดที่ไม่รู้อะไรสงบพระโง่สงบภายใต้โมหะนั่นประเภทหนึ่งซึ่งเป็นฝักฝ่ายของเวทนา คือเกิดความรู้สึกที่สงบแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยอันหนึ่งเปรียบกับคนคนหนึ่งไม่อยากรับรู้อะไรในบ้านเมืองก็เอาปี๊บคลุมหัวเดินก็ก็เลยไม่เห็นอะไรก็เลยไม่ไม่ยุ่งกับใครหรือคนที่ชอบเดินอยู่ในป่าเดินสงบดีไม่วุ่นวายแต่ก็ไม่รู้อะไร ทีนี้ความสงบอีกแบบหนึ่งนั้นสงบเพราะรู้ครับสงบเช่นนี้ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ตัวเวทนาไม่ใช่ตัวเวทนาขันแต่สงบตัวนี้เป็นสงบที่ท่านเรียกวิมุตตหลุดพ้นจากความโง่ครับเปรียบประดุจคนเดินทางไกลกลับถึงบ้านแม้ว่าเหนื่อยังแตกยังร้อนแดดเสื้อผ้าเหม็นอับ แต่พูดถึงชายรั้วริมบ้าแล้วสงบคือสงบจากการเดินทางสงบจากความวุ่นวายสแสวงหาสเปะสปะแม้ว่ายังมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะแต่สงบแล้วสงบตัวนี้เรียกว่าสันติสงบตัวแรกภายใต้โมหานั้นที่จริงเป็นอาการของเวทนาที่เป็น เป็นเวทนา ท, ที่เจอด้วยโมหะเมื่อแยกเป็นสองชนิดนี้แล้วนะครับเราจะพบว่าพระพุทธพาสิทธิ์ที่ว่าสุขใดเสมอความสงบเป็นไม่มีสงบตัวหลังนี่หมายถึงสันติหรือสันติซึ่งไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการกระทําให้สงบ เมื่อเรากระทำให้เกิดความสงบนั้นมันจะคู่กับความวุ่นวายครับเพราะเราไปทำมันขึ้นดังนั้นความสงบชนิดที่ทำขึ้นสร้างขึ้นนี้ไม่ใช่สันติความสงบที่สร้างขึ้นได้นั้นไม่ใช่ของยั่งยืนครับดังนั้นสันติหรือความสงบที่เป็นยอดสุกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สร้างครับเพราะเป็นวิสังขาร เป็นสภาพซึ่งสิ้นปรุงแต่งไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงไม่ได้ทำอะไรมันทั้งนั้นเรียกว่ามันเป็นเองสภาพเป็นเองนั้นไม่ใช่ตัวเวทนาขันดังนั้นมันจึงยั่งยืนปราศจากกรรมปราศจากเจตนาที่จะกระทำมันหรือปกป้องมันหรือว่าอยากจะให้มันมากขึ้นหรืออยากจะให้มันน้อยลงดงนั้นสันติ ที่เป็นยอดสงบเนี่ยไม่มีขนาดไม่มีสีสันไม่มีลักษณะเพราะถ้ามีลักษณะตกอยู่ใต้าอำนาจของพระจายลักษณ์ซึ่งต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดัดวนั้นจะเรียกว่าสงบแท้ไม่ได้ปันจุมันเมื่อเราปฏิบัตินะครับผมแนะนำให้อย่าทำให้มันสงบ เพระถ้าทำให้สงบมันหนีความวุ่นวายไม่พ้นที่ว่าอย่าทําให้สงบ ก, ก็คือทำให้มันฟุ้งขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดินให้มันคิดออกมาแล้วรู้ตัวให้ทันแล้วปล่อยให้ทันผมจะอุปมาให้ฟังนะครับเหมือนกับว่ามีผ้าพื้นหนึ่งกรำมืีแล้วบังเอิญฝุ่นมันไปจับ ฝุ่นนี่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดทีนีใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้ความจริงไม่รู้จักฝุ่นตามที่เป็นจริงครับไม่รู้จักผ้าผืานผ้าตามที่เป็นจริงขนาดของมันตามที่เป็นจริงนี่ก็คิดที่จะเก็บเม็ดฝุ่นเหล่านั้นออกหรือโดยวิธีเอาน้าลาดลงไป ที่ฝุ่นมันก็ฝังนั่นลงไปในเนื้อของผ้ากรมะยีนั่นแต่ถ้กคนที่รู้จริงๆนันก็จับชายสองชายแล้วสะบัดให้มันฟุ้งออกมาครับมันฟุ้งออกมาแล้วมันก็หลุดเป็นกระบิดกระบิดไปดงนั้นที่ผมพูดว่าอย่าทาให้สงบเป็นคำพูดที่ทพูดจริงๆครับไม่ใช่พูดเล่นสมมติเรานั่งนิ่งสงบพอลืมตากาหายไป หรือพวใครมาเรียกไว้ช่วยงานเนี่หายไปแล้วหมดกันแต่ถ้าเราทำให้มันฟุ้งขึ้นคือเราเคลื่อนไหวเรากระตุ้นให้มันรู้สึกตัวแรงๆขึ้นมันก็ฟุ้งขึ้นโอกาสนั่นเองที่เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือความฟุงฟ้งซ่านอาจารย์นุ่นมรานเข้ามาอย่างนี้นะครับที่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีเฮี้ยตัวหนึ่งหลบซ่อนไปอยู่ในรู ชายผู้หนึ่งต้องการที่จะจับเฮียตัวนั้นมาฆ่าซิหรืองูก็ได้สุดแทนฮะหรือบมาไม่สำคัญอะไรแต่ว่าทำยังไงยงไงเพื่อรูมันอยู่ลึกมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาดังนั้นเองชายผู้นั้นชายฉลาดผู้นั้นก็เลยเอาไมาแ้แหกไปที่ก้นรูมันย่วยมันโมโหขึ้นมาให้จงได้หรื อ, อน้าร้อนลาดลงไปเฮียหรืองูตัวนั้นก็ออกมาจากรู เป็นโอกาสเดียวที่จะตีมันให้ตายเข้าใจไหมครับดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราต้องอย่าให้มันเกิดเรื่องครับฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าคำเราได้ยินว่าต้องทำให้มันสงบต้องทาให้มันสงบนั่นเป็นสิ่งที่จงกันข้ามครับสงบเช่นนั้นมันซ่อนพิษสงไว้นะครับแต่เรา ถ้าคนอื่นมาหย่าเราเราก็ฟงแล้วะยะเดี๋ยวเกิดเรื่องกันใหญ่เราต้องหย่าตัวเราเองเข้าใจไหมครับถ้าหย่าตัวเราเองไม่มีเรื่องกับใครไม่ต้องชกปากกับใครเข้าใจไหมก็ลุกขึ้นเดินยั่วให้มันคิดครับแต่วผมบอกแล้วนะว่าคําพูดที่กํำลังพูดนี้ผมจะไม่พูดในวันแรกของการโทนเอาเข้าใจไหมแต่ถ้าความรู้สึกตัวมั่นคงแล้วเนี่ยหย่ามันเข้าไปครับ คือเดินให้มันคิดออกไปมันก็ฟุ้งขึ้นใหญ่เราก็รู้สึกตัวให้ทันทําอย่างนี้มันจะแยกกันเัินทีครับคือฝุ่นกับผ้ากำมะหยี่ที่ถูกสะบัดแล้วมันจะแยกตัวออกจากกนันเข้าใจไหมครับมันจะงงไหมแต่ผมว่าน่างงชวนชวนงงมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจคาําว่าความสงบไปคนละอย่างนั่นเองเช่น เรามักจะได้ยินว่าทำให้สงบนะทำจิตใจให้สงบเมื่อสงบแล้วจะรู้แจ้งแต่ทราบไหมครับว่าเมื่อเราสงบมันเกิดปิติขึ้นแล้วมันติดยึดจะึงฝังแน่นกับอาการสงบนั้นนะครับเมื่อขี้ฝุ่นกับเนื้อผ้าเนี่ยกลมเกลียวกันดีคือฝังเข้าไปในเนื้อมันเลยนันสงบนั้นเป็นสงบที่ชั่วคราวท่านว่า เหมือนเอาศิลาทับยาอเกี่ยหินเนี่ยเป็นทับยาจากใดที่หินทับยาอยู่ยาก็งอกไม่ขึ้นแต่พอเอาหินออกเท่านั้นนะครับยาขึ้นสองสามเท่าเลยผมเ็ยเห็นมาเยอะแต่เยอะคนที่ดูสงบสงเเย่ดีคล้ายๆไม่มีกิเลสพอรุ่งกันอีกปีหนึ่งหนักยิ่งกว่าชาวบ้านเข้าใจไหมครับเพราะไปกดทับมันไว้ การิบัติชนั้นท่านเรียกว่าสมถาดูดูสงบส ง, งียมดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนนะครับ